ต่อไปก็เป็นการสวดมนต์ทำวัดเช้าแปลเริ่มตั้งแต่หน้าสิบเจ็ดโยนโซทักขวาอาหังสมาสัมพุทโธลาภูมีพระภาคเจ้านันองนันไดทรงเป็นพระอรหัน ตัดสรูความจริงด้วยพระองค์เองโดยถูกต้องสว่าข้าตเยนาภะควตาธรรมโมพระโลกุตลธ ร, รรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัดไว้ดีแล้ว สุปฏิปันโนยัสสะวะคะวโตสาวกสังโฆพระอริยสงสารโของพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วตามไม่ย่างวะคะวันตังสะทัมมังสะสังขัง อิเมหิสการะหิยธาลังอารปิเะหิอภิปูชัยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระภูมีพระบภาเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทางพระธรรมพร้อมทางพระสง์ ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายยกขึ้นไว้แล้วตามควรสาธุนโนพันเตระเขาวาสุชิรภริณิพุโตปิข้าแต่พระผู้มีพระภาเจ้าผู้เจริญดังข้าพระเจ้าขอโอกาส ขอพระภูมีพระประากเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายแม้เสด็จดากันทัพริยนิพพานไปนานแสนานปัจจิมาจนตานุกรรมปรมมานาสามีพระหรุณไทยอนุเคราะห์แก่ประชาชุมชนที่เกิดมาในภายหลัง อิเมสการะทุกขตาปัรณาการะพุตเตปฏิคันหาตุโปรทรงรักสักการัเหล่านี้อันเป็นเครื่องปัญญาการของคนยากอัมหากลางทีคารตังหิตายาสุขายาเพื่อประโยชน์เพื่อคุณ เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเธออะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ถ้าสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เดินผู้เบิกบานสวัสขีค่ะทุกผขวตาธรรมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระาเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้ามังนมมาสามีข้าพระเจ้านัมมสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสงคังน้ำมามีข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หันธมยังพุทธสาพระวโตปุพพาคนามการังกรโณมเส้น นาโมทัสสะพัคคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาหทโตซึ่งเป็นผู ja ้ไกลจากกิเลสสมายสมพุทัสสะแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นะโมตสักพระคะวตัวข อ, อน้องนองแด่พระผูมีพระภาเจ้าพระองค์นั้นอลรังหะโตยซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสมายสมุทสักการัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นาโมตัสสะพะคะวะโตขอหน่อมร้องแถิพระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไก่จากกิเลสสมมาสัมพุทธัสสะพระสรุปชอบได้โดยพระองค์เอง หันธรรมะอย่างพุทธะพิทุติงกโรมาเซนยนโซธัฐาโตุพระตัฐากดเจ้านั้นพระองค์ใดอารางเห็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธ เป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณสัมปนโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณสุขะตรเป็นผู้ไปแล้วรวยยีโลกาวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ็มแจ็ม อนุตารุภุริสธรรมมาราตีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัตว์เทวมนุสย์นามเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ พระสวัิเป็นผู้มีความจำเริศจำแนกคำสั่งสอนสัตย์โยยมังโลกังสเสเาวกังสมารกังสัปลัมมัง สาสสมณะพราณมมิงประชังสเทวมนุสังสยาอปิญญาสัจจัตวะเวปเวเทสิพระภูมีพระพากตเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณาพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ธรรมโยธรรมังเทเสศีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ในทรงแสดงธรรมแล้ว อาเทกกะลียอานางใหยรอดในเพื่องตนมาเจกะลียอานางให้รอดในธรรมกลางปาริโยสาณกะลียานางใหยรอดในที่สุด สาธังสัพยัญชนะเกวัละปะริปุลนางปะริสูทงังพรำมะจริยัง ป, ประกาศเสสิทรงประกาศพรหมอาจารย์คือแห่แห่งการปฏิบัติทันประเสริฐปริสุทปะริปุลสิ้นเชิงร้องทางอาาัตถาร้องทางพยัญชนะ ท่ามห้ังพรขวันตังอภิปูชาญาเมฆาพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระภู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นท่ามห้างพระขวันตังศิระสานนามาเมฆาพรเจ้านอมน้อมพระภู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ด้วยเสียงก่าวท่านทํามอย่างธรรมาภิตุติงกโรมาเซียนโยโซสวาคาโตะพระวาตาทมโมพระธรรม น, านาั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระพาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแลว้ว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 ท่านจงมาดูเธอโอปัายิกดเป็นสิ่งที่ควรอมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนถัดมาห้างธัรมังอภิพูชยามี ข้ า, า, า, า, ราพระเจ้าผู้ใจยังยิ่งจะพอพระธรรมนัน้นตัมาหางธำมังศิริสาน้ำมารมีข้ า, าพระเจ้านอกนองพระธรรมนัน้นด้วยเสียงกล่าวหันธรรมอย่างสังขาพิทุติงกโรมมาเสน โยโสสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสงสารวกของพระภูมีพระภาคเจ้านั่นหูในปฏิบปดีแล้วโอชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไรปฏิบัติตรงแล้วยายักปฏิปันโนพระคัมภีรตวสาวก ส, สังโุนสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูไรปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามีกิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังคุดสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูไดปฏิบัติสมควรแล้วยาทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จะตาิป uh e ุริสยุคานิอาจธบปุริสปุคาลาคูแห่งบุรุษสีคู่จะเป็นกุรุษบุคคลแปเอสาพระขวะตสาวกสังคุนั่นแหละทรงสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้ามหาอุนัยโย เป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาบาหุนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักทินัยโยเป็นผู้ควรอัปทักสินาทานอัญเชรีการนิยน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญเชลีอนุตตรังพุญยักเท ต, ตังโลกาสาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญหืนยิ่งกว่าแต่มาห้างสังขังอภิพูธชยอาิข้าพระเจ้าบูชาย่างยิง่ง จะพอประสง์หมู่ น, นั้นตลับมาห้างสังขังศิรษะ น, น้ำมามิถ้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่ น, นั้นด้วยเสียงแปว้วหันธรรมอย่างรัตนตยัปนามคาทายโยเจวา สังเวชปริกิตนาปาทันจ่าพนามเสงโพธสุตโธกรุณามะนโหนพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีภาคกรุณาดุจหลวงมหันตโยจันตสุทธภรรยานโรจโนน พระคงใดมีตาคือญาณทันประสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสะาปาภุป ก, กิเลสขาตะโกเป็นผู้แนะนำให้ชาวโลกัำจัดบาปและอุป ก, กิเลสทั้งหลายวันทามีพุทธังอหมาเลนณตัง ข้าพระเจ้าว่ยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขาโลเอื้อเฟื้อธรัมโมปฏิโพวิยะตาสสะทุโหนพระธรรมของพระศาสนาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงพระทิพยมฆะปากามาตเทรพินะโก จำแนประเภทคือมรคนิพพานส่วนส่วนใดโลกุตตะโรโยจะตถา ท, ะทัตทปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตตระและส่วนใดที่ที่แนเวแห่งโลกุตตาระนั้นวันทาภิธรรมังอหามาเตเรณตัง พระพระเจ้าว้าพระทังน้นโดยใจเขารบเอื้อเฟือ้อสังโคสุขเขตาพระยัดิเกตสัญโตพระสงฆ์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญทันทีทั้งหลายโยธทตาสันโตสุขตานุโพตะโก เป็นผู้เห็นพระนิพพานกระเสรู้ตามพระสุคตมูไทยโลลัปะหีโนอริยสุเมตโสเป็นผู้ละกิเลขเรโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทายมีสังฆังอหมาทะเนณตัง อาปเจ้าไว้พระสงฆ์หูนัน้นโดยใจเข่ารคเรือเฟื่อเอิเจวะเมกันตะพิภูชนัยยะกังวะดุตยังวันทยะตาพิสังขตังปุณยังมะยาอย่างมะมะสับภุปัทวาลมาฮุนตุเอตัสสัพาพาวสิทธิยา บุนใดที่ข้าพระเจ้ากู้ไว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัชนาตรตยอันควรบู้ชายยิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่เช่นนี้นี้ขอกุปัตวะทั้งหลายจองอย่ามีแก่ข้าพระเจ้าเลย ด้วยอำนาจความสำเร็จทันเกิดจากบุญนั้นอิทธิ์ตาคตโตโลกเอุปนธพระตธาคเจ้าเกิดขึ้นแล้วในในโลกนี้อาหังสมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไปจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง มโมจะเทศิตโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมนำออกจากทุกข์อุปสมิโกปริิพานิโกเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพนธ์สโธถ้าขามีสุขตบประเวทิโต เป็นไปเพื่อความรู้ร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศเมื่อยันต่างธรรมสุตตวายเอวังชานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนีวานชาติปิทุขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ ชาลาปิทุขังแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โศกปริเทวทุกขะโทมานัสสุภายาสปิทุขังแม้ความโศกความร่ำไรร่ำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้งใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิซัมประโยโคตุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อิเยหิวิประโยโคตุโค ความพ ล, ลาดภาคจากสิ่งที่เป็นที่พักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดจังนัะปฏิตัมปิทุกขังมีความปลาธนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์สังคิตเทนะปันจุปปาทานะคันธาทุขา ว่าโดยย่อภาทานคันตั้งห้าเป็นตัวทูใสยาทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูภูปาทานทขันโทกันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือโรูมเวทนูปาทานคันโท ขันอนันเป็นทนี่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญาปาทานขันโทขันอนันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโทนขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังคาญ วิญญาณูปาทานคันโทขัทนธ์เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรูปปัตตานขันธ์เหล่านี้เองธารามาโนโซภะควาจึงพระผู้มีพระภาเจ้านั้น เมื่ อ, อยังทรงพระชนอยู่เอวังภะหุลังสาวะเกวินเอติยอมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสาพะภาวะโตสาวะเกสุอนุสาเสนภะภาุราปวัตเตติ อันหนึ่งคำสั่งสอนของพระพุมิีพระพาเจ้านั้นยอมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนิวรบบาระรูปังอนิจจังพระูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยง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 สัมเทธามาณตาติทั้งทั้งหลายทั้งปวงให้ใจตัวตนดงนิ้เตไม่ยังโอตินามาหัพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงมแล้วชาติยาโดยความเกิดชาลามริเทนา โดยความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิทุมาณะเซหิอุปายาเซเฮโดยความโศกความร่ำไรร่ำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายตัวก็ตินนาย เป็นผู้ถูกความทุกข์ครอบครำเอาแล้วทุกขะเปรตานเป็นผู้มีความทุกเป็นไปในเบื้องหน้าแล้อวอะเปวนามิมัสสะเกวรสสะทุกขาาาะคันทัสสะอันตะกิริยาปัญญายเยทาติ ทางกำจะไหนทางทางที่สุดแห่งของทุกข์ทงสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จีนักเผยนิพุตังปิตตังพระขวันตังสรนังคตาเราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งปรากูมีพระประาเจ้า แม้ปริิพานานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณาธรรมันจะสงคัญใจถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตัสสะพะควะโตสาสนังยัทาสติยัทาพลังมานสิกโรมานุปฏิปัชฌามจาจะทมในใจอยู่ ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาเจ้านั้นตามสติกำลังส า, าโนปฏิปัติขอให้ความปฏิบัตินั้ น, น, นของเราทั้งหลาย พิมัสสะเกวะละสาทุกขันธ ER <IN> ัสะอันตะกิริยายาสังวตตุจงเป็นไปเพื่อการทมที่สุดแห่กองทุกทั้งสิ้นนี้เถิด